นัตถิชานังอปัญญสัะนัตถิปัญญาอาชาโน ฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานยัมหิชานันจะปัญญาจะเสวนิพพานสันติเกฌานและปัญญามีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นแลอยู่ใกล้พระนิพพานขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรม จงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการธรรมะส่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ต่อไปนี้ขอเชิญท่านสาธุชนมาศึกษาธรรมะจากทางรายการซึ่งวันนี้อาตมาจะได้นำท่านสาธุชนเข้ามาศึกษาธรรมวินัยจากคําบรรยายของพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัสเกต ร, ราชวระมหาวิหารและที่สำคัญประเดระคุณท่านยังเป็นองค์ประธานสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดาเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีวันนี้จะมาให้คําแนะนำท่านสาธุชนเกี่ยวกับพระธรรมวีัยซึ่งเป็นตอนที่แล้วเป็นตอนที่สามต่อจากข่าวที่แล้ว อาตมาได้นําเสนอสู่ท่านสาธุชนแล้วสองตอนวันนี้เป็นตอนที่สามจึงขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านมาตั้งใจรับฟังธรรมบรรยายเรื่องพระธรรมวินัยโดยพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โดยพร้อมกันณบัดนี้เป็นฤๅษีท่านอาจารย์ทศชายกับท่านเจ้าคุณเมธียืนยันว่ายังไม่บวชเป็นพระ แต่ห่มจีวรเหมือนพระเนี่ยแต่เก่งกว่าพระนะคนไปไหว้กันละลืมแล้วธรรกายลืมหมดดีนะไม่มาที่นี่ถ้ามาที่นี่ดีไม่ดีก็โยมก็ไปหาหมดไม่ได้สอนกัน บ, บนสลาเนี่ยเพราะนัตั้งหลักให้ดีตั้งหลักให้ดีตั้งหลักให้ดีเท่านั้นแหละลือกันไปนังเทือพิมพ์ก็ช่วยกันไปโพรวิทยุกลางคืนยังมีพูดอีกนะ ว่าให้คนไปหากันเถอะนเนี่ยสำคัญมาแล้วให้ไปไหว้ไปกราบกันแมนี่แหละเม่ลืมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานะท่านบอกว่าเราต้องงามงามทั้งในชุมชนงามทั้งในป่าอยู่ในป่าป่าก็งามอยู่ในเมืองเมืองก็งาม ยัติวายัติวารัญเยนินเนวายัติวาทะเลงามหมดนินเนวายัติวาทะเลจะเป็นที่ไหนก็ตามเป็นที่ลุ่มที่ดอนเป็นเมืองปไปได้ก็ตามพาาระหันท่านงามพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วงามพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้ว ไม่ว่าอยู่ที่ไหนต้องงามทั้งนั้นเราไปลหลงไหลกันอย่างนี้มากลืมลืมลืมต้อพุทธเจ้าส่วนใหญ่จริงไม่โยมลองนึกดูส่วนใหญ่นะจริงน ะ, ะเพราะงั้นเราที่มาที่ธรรมกายนี่มาที่สถาบันนี้นะ่ะมันใช้ใช่กรอบชั้นหนึ่งที่จะไม่ให้โยมต้องหลงไปผิด วินัยที่ปีกย่อยต่างๆถ้าหากว่าจะสรุปง่ายๆก็อยู่ที่อิริยาบถ ท, ทั้งสี่อิริยาบถ ท, ทั้งสี่ก็ยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าอิริยาบถใหญ่สี่อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนซึ่งได้พูดกันมาทุกปีแหละถ้าดูแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาเลือเกิน ยืนเดินนั่งนอนคนเราก็ใช้อิรยาบททั้งสี่นี่อยู่เสมอแต่ว่าในอิรยาบถ ท, ทั้งสี่นี่มีส่วนประกอบยืนก็มีสบงกีวอนมีกิริยาอาการท่าทางไม่ใช่ไปยืนอยู่เฉยๆไม่ใช่ไปยืนอยู่เฉยๆเมื่อก็ต้นเสาต้องมีผ้าจีวอนต้องมีผ้าสบงนี่พูดถึงพระไม่ใช่โยมละทีเนี้ย อันนี้ยอมอาจะดูพระได้ด้วยแต่ว่าอย่านึกว่าที่พูดนี่ไปตาหนิพระอื่นอย่ว่าเราดีพวกเดียวไม่ใช่อย่างนั้นไหวพระนี่ก็ให้นึกว่านี่แหละความงามในเบื้องต้นในท่าที่เรายืนเนี่ยไม่ต้องยืนอื่นนะไปยืนที่ตรงเนี้ยรอรถเมย์เอาละ ว, วันสุดท้ายก็แล้วกันวันที่สิบห้าเนี่ยเรากลับไปยืนตรงโน้นน่ะรอรถเมย์ บางทีไม่ได้กลับจากที่นี่ไปยืนรอรถเม์ตรงนี้แหละดูได้แหละถ้าออกไปจากสถาบันเรานะมีบาทมีจีวรบางองค์ก็มีกรดด้วยเราจะถื อ, อยังไงให้พอดีพองามเพียงแต่ไปยืนตรงโน้นไปยืนรอรถเม์เพราะบางปีมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วขึ้นรถไป ข้าวกรุงเทพจะเป็นส่วนใหญ่หรือโยมมารับจีวรกับสบงที่เรานุ่งเราหม่มพระพุทธเจ้าก็สอนเป็นแบบถ้าห่มผิดแบบเนี่ยผิดพินยัยย่านึกว่าเรามีจีวรแล้วก็ห่มยังไงก็ได้ไมันจะอย่างนั้นมีแบบห่มผิดแบบก็ผิดวินยัยขาดกระอาทิกลยานะคือความงามในเบื้องต้น แล้งั้นท่าห่มจีวรไม่เหมือนกันถ้าไม่ใช่สีละไม่ต้องว่าสีกักสีเหลืองงั้นไม่สําคัญสีกลกสีเหลืองได้ทั้งนั้นหรือว่าสบงสีกลกจีวรสีเหลืองก็เอาละไม่มีเอาเท่านี้ก็เอาไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรแต่วิธีห่มสําคัญวิธีห่มนี่สําคัญ พระพุทธเจ้านะ่ะจะทรงวางแบบจีวรนนะ่ะจัดว่าอานนท์พ้าสําหรับพระจะห่มทําเป็นจีวร น, นั้นนะ่ะทำอย่างไรดีพระอานนท์ก็ไปออกแบบจีวรจีวรพระจึงได้ออกมาเป็นรูปกระท o กระทงกระทงไม่เหมือนกับกับผ้าของโยม จีวรพระนี่ไม่ใช่พื้นเดียวเป็นกระทงกระทงกระทงเท่านี้แหละพระพุทธเจ้าตัดสันกระเสินว่าแหมพนรนนิชลาร์้านนทูลนนว่า5จีวรของพระนั้นทำเหมือนกับคันนาของชาวมรคตยอมัาจะไม่ทราบแต่ว่าจะมาขอพูดรวบๆไปรวบๆหน่อย คือผ้าจีวรของพระเนี่ยโยมแต่ก่อนนั้นนะ่ะต้องได้มาจากผ้าบางสกุลเป็นส่วนใหญ่แต่เดิมนะได้มาจากผ้าบางสกุลเป็นส่วนใหญ่ผืนเล็กบ้างใหญ่บ้างเมื่อเป็นอย่างนั้นจะเอามาต่อเป็นผืนเดียวเข้าเนี่ย จะให้ได้ผืนใหญ่เลยไม่ได้บางทีชิ้นเล็กบางทีชิ้นใหญ่เพราะงั้นถ้าได้ชิ้นเล็กกวางไว้ตรงนี้จะได้ชิ้นใหญ่ก็วางไว้ตรงนี้จีวรพระพยมดูให้ดีน ะ, อะลองการออกมาดูเนี่ยท่านเก่งจริงจริงสานนนี่เป็นนักออกแบบเสื้อผ้าถ้าไปโชว์ที่ฝรั่งเศสและสมัยนี้ได้ทีหนึ่งละ แต่เขาไม่เอาทางงามกันน ะ, ะท่านไม่เอาทางงามกันแต่เขาไปโชว์เสื้อโชว์ออกแบบกันนะั่นเขาเอาทางงามท่านพระอานนท์นี่ท่านออกแบบเ ก, เก่งๆยอมลองว่างๆเ า, าไปจางดีีวารพระที่ท่านลางไว้ไปดูมีขอบข้างล่างรอบทางบนก็มีขอบรอบๆแล้วอธิบายได้ด้วยว่าทำไมต้องทำขอบไว้ไมันจะทำใ ห, ให้สวยให้งามเฉยๆนะโยม อย่างของโยมนะอย่างโยมผู้ชายมีขอบคอเสื้อเนี่ยโดยมากก็ไม่ใครได้มุ่งอะไรนะให้มันมีขอบให้มันเห็นไม่เทว่ยวลื่นไปเลยทีเดียวให้มันมีสัดมีส่วนของมันแต่ของท่านพระอน์ น, นั้นจนะีวอร์เนี่ยทำเป็นขอบท่านบอกด้วย้างล่าง้างล่างผมแล้วจะทบแข้งเป็นต้น ที่กระทบแข่งนั้นมันจะชํารุดเร็วเพราะงั้นต้องทําไว้สองชัน้นท่านบอกที่คอในอีกเวลาห่มเบื้องบนมีอีกสองชัน้นก็เพราะว่าส่วนที่ห่มกระทบทั้งนี้มันกระทบคอกระทบไหลก็จะชํารวดเร็วทําไว้เป็นสองชัน้น จะทงตอนไหนเรียกว่ายังไงตอนไหนเรียกว่ายังไงมีคําเรียกหมดทุกส่วนแหมเหลือเกินละเอียดละออยิ่งนักแล้วท่านกทท็ทรงกำพระพุทธองค์ทรงกําหนดวินัยไว้ทรงกําหนดวินัยว่าเมื่อมีผ้าปีวรแล้วเนี่ยจะรักษาอย่างไงแหมฝนตกดีเหลือเกินดอกจน น่าชื่นใจน่าไปนอนในกรดนะตอนนี้นะ <c oughs> ไป <c oughs> ไปนอนในกรดกำมังตกอย่างเงี้ดีได้ทดลองกันนะทีปีนี้ได้ข่าวมาอย่างหนึ่งกันว่าบอกว่านั่งกรดมันร้อนสั้งนั้นบางองค์ไม่มาข่าวมาทาไมไม่มาบอกมันร้อนนั่งกรดกลางแจ้งแล้วกัน กลัวแดดกันแล้วอยู่ใต้ท้องฟ้านี้กลัวแดดกันแล้วกลัวร้อนจะไปฝึกที่ไหนล่ ะ, ะจีวร น, นะโยมนะวินัยเกี่ยวกับจีวรนนะละเอียดละออยมบางทีไม่ทราบถ้าไม่เคยบวชเวลาจะหยิบจีวรขึ้นมาใช้เนี่ยโยมจะมาหอมนะ ต้องวยายถาปัจจยังประวัติมานางจีวรังทราบแล้วนะว่าพระจีวรของพระเนี่ยเวลาจะหยิบมาห่มเนี่ยก็ต้องมีสติที่จะพิจนารณานไม่จะลากมาห่มเลยลากมาห่มเลยก็ผิดอีกขณะที่ห่มอยู่กำลังห่ม งวนลูกบวกจะต้องมีความรู้สึกกาหนดให้ได้ว่าเราห่มจีวร น, นี้เพื่ออะไรห่มเสร็จแล้วจะไปตากไว้ก็ต้องมีสติกาหนดให้เข้าใจว่าเราจะให้จีวรเสร็จแล้วเพื่ออะไรวินัยทั้งนั้นวินัย แต่วินัยข้อนี้เจือธรรมะปฏิบัตินี่แหละที่ว่าธรรมะกับวินัยบางบางตอนนี้ไปด้วยกันเจือธรรมะปฏิบัติและจีวนเวลาตากทรงกำหนดไว้ด้วยพระพุทธเจ้าสอนพระสอนเนนี่สอนยิ่งกว่าพ่อแม่สอนลูกจีวรน เราจะตากก็ไม่ใช่ตากได้ตามชอบใจนะมีแบบตากมีแบบสมมติว่าเราจะตากจีวอไว้อย่างเงี้ย ต, ตากไว้อย่างเงี้ยจนกระทั่งค้างไปพรุ่งนี้ก็อยู่ในทาน่านี้ผิดวินยัยผิดวินยัยเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นจะเป็นเหตุให้ผ้าจีวอนช้า และไม่เรียบร้อยเป็นรอยอยู่สิกีวรผืนใหญ่ๆเนี่ยถ้าหากว่าเราตากเสร็จแล้วแห้งแล้วก็จากข้างไปถึงตรงนี้พอดึงออกมาเป็นแนวพินแถวผมไปไหนก็เหมือนกับเอาไม้บรรทัดตีไว้ย่งังไงพระพุทธเจ้าไม่ยอมให้ตากอย่างนั้นต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสมเมื่อว่าตากไว้ยแล้วอย่างนี้เอาแล้วดูจวนแห้งแล้ว ัเปลี่ยนเสียเพื่อไม่ต้องการที่จะให้ผ้าชํำและเป็นรอยถ้าทำอย่างนั้นก็ผิดวินัยผิดวินัยผ้าจีวร น, นะของทุกองทุกองนะพวกเรามาอยู่รวมกันเนี่ยองค์นี้ หมอาตมาห่มจีวร น, นะเหม็นสาไปถึงอาจารย์เสริมชัย อ, ตอ า, าตมาเป็นนบดูดีพระพุทธเจ้าของเราแค่ไหนเหม็นสาไปถึงอาจารย์เสริมชัยอาตมาเนี่ยเกิดหม่มจีวรมาจนกระทั่งไม่ได้เอาใช้สายรับลอยให้เหม็นสาไปถึงท่าน อาจารย์เสริมชัยอาตมาเป็นอบัตอาจารย์เสริมชัยไม่เป็นอบัตนะทนเหม็นไปทนเหม็นเฉยๆแต่ว่าทุกคนที่ทําให้เหม็นกับอาตมาเนี่ยนะเป็นอบัตแล้วเราไปไงองค์ไหนหม่มจีวรไม่ได้ซักไม่ได้อะไรแล้วเวลาไปไหนบางทีก็กลิ่นปุ้งไปท่านดีท่านไม่เอาอะไรแล้วจีวรก็ไม่ซัก ว่าดีไม่ถือวินัยว่าดีองไหนพอห่มจีวรมาแล้วรู้สึกมีข้ามเหงือสักโอ้ยพระเดี๋ยวนี้ทํามันโกหรุกันอยู่อย่างนั้นแหละซักจีวรไม่เห็นไม่เห็นเหมนสาบถูกวินยัยโยมบอกว่าพระโกปล่อยจีวรให้เหม็นสาบรุ้งไโยมกลับเห็นว่าดีผิดวินยัยอันนี้โยมต้องช่วยจำจำกันไว้ด้วย บางทีท่านห่มจีวร น, นะโยมนะจีวรพระเนี่ยขาดไม่ได้นะโยมนะจีวรพระเนี่ยแมหน่าสงสารจริงองค์นี้โอ้โหจีวรท่านขาดทะลุแล้วต้องไปซื้อให้ใหม่ถ้าเห็นขาดอย่างนี้โยมต้องลูกเอ๊ะทำไมปล่อยให้จีวรขาดอย่างนี้ผิดวินยัยไม่ซื้อถวายต้องเอากลับกันมั่งโยมต้องทำตามพระพุทธเจ้ามั่ง โอ้โน่าสงสารจริงของท่านจีวรทะลุเป็นรูเป็นรูเป็น ร, ปนรูปล่อยให้จีวรนทะลุเป็นรูเป็นรูเนะี่ยผิดวินัยนะเห็นว่าจีวรขาดต้องชุนต้องเย็บทันทีปล่อยไว้ไม่ได้จีวรเป็นรูทะลุโน่นทะลุนี่ห่มไปเป็นอบัดทันทีโยมช่วยจําไว้ด้วยเดยมากโยมโอ้แม่ดีนะท่านหลวงนี่มักน้อยสันโดดนะ จีวรท่านขาดแล้วท่านก็ยังหมไม่เหมือนองค์อื่นองค์อื่นนี่ถ้าขาดขนาดนี้ทิ้งแล้วแมอาแล้วแห้อง์นี้ท่านดีเหลือเกินผิดวินัยนะโยมะนะเพงานพวกอัตมาทั้งหมดเนี่ยถ้าจีวรขาดก็ต้องเก็บไว้ถ้ายังไม่ยึดจะไปเดี่ยวหมทั้งขาดขาดเดินเ้วยไปเป็นยังไไม่ได้ไม่ได้ไม่ว่าจีวรไม่ว่าสบองไม่ได้ ไม่ได้อันนี้ที่จริงจะพูดไปทางพระแต่ว่าโยมอยู่ด้วยก็ได้ไดไดทราบอย่างที่ว่าแล้วยอมจะเห็นได้ว่าเพียงเท่านี้แหละไปยืนอยู่ตรงโน้นเน่แต่จีวรขาดสองสำรูยอมเห็นโอ้พระคุณเจ้ามาปฏิบตัติโอ้น่าสงสารสำนักสถาบันธรรมสถาบันพุทธภาวนาเนี่ยก็ คงจะทรมานท่านจนกระทั่งจีวรทะลุหมดสงสารเออซื้อถวายสักไกลหนึ่งแพ้ที่จริงเนี่ยท่านผิดนะจะจำไม่ด้วยไปพูดแล้วเหมือนัปมาขายพระแต่ไม่ใช่หรอกให้โยมได้ทราบด้วยพระได้ทราบแล้วก็แล้วยมลองคิดดูทีคิดดูยอมคิดง่ายๆว่าโยมอยู่บนบ้าน มีคนมาหานุ่งกางเกงมาขาดโยมจะรู้สึกยังไงคนที่เป็นแขกโยมนะแขกขึ้นมาบนบ้านกางเกงขาดปะไม่เป็นไรขาดเสื้อขาดโยมรู้สึกยังไงจะว่าเออนี่จนน่าสงสารนั่นอย่างหนึ่งนะแต่ประการแรกเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ยอมก็รู้สึกแปลกใจแล้วพระนี่พระพุทธเจ้าไม่ให้ใครแปลกใจขาดได้แต่ต้องเย็บต้องชุนทันทียอมยังสังเกตดูจีวรพระองค์ไหนท่านมักน้อยสันโดษแล้วก็ท่านมักจะมีเย็บมีชุนถ้าท่านมีน้อยท่านเย็บท่านเองท่านชุนท่านเองท่านปะท่านเองถ้าแต่ก่อนปะจีวรเป็นอย่งนั้นชุนจีวรเป็นอย่างเดี๋ยวนี้ไม่เป็น จ้องวานโยมชีวานใครแต่ใครให้ชุนจีวร อ, อา จ, จะมาเป็นเนนก็ต้องหัดเย็บจีวรชุนจีวรเพราะว่าอาจารย์ต้องให้ปะจีวรให้เป็นสมมุติว่าจีวรแหว่งอย่างงี้ก็ให้ไปตัดจีวรผื้นอื่นที่ที่ที่ขาดอยู่แล้วพื้นอื่นที่ไม่ได้ใช้แล้วเอามาปะปะป ะ, ปะแล้วก็เย็บเย็บเย็บอาจารย์สอนให้ทําให้ทําให้ได้ เพราะงั้นถ้าหากว่าจะมักน้อยฉันโดดจริงแล้วแหะจริงนะท่านโยมเราต้องจริงนะเดี๋ยวนี้นะเล็ดไหนมากเหลือเกินแหละมากมายจริงๆริงเพราะงั้นต้องจริงคือว่าท่านฉันโดดเพราะว่าท่านมีน้อยอท่านก็ต้องเย็บต้องชุนของท่านในแบบรอยอย่างนั้นน่านับถือในเรื่องจีวรไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นนั่นรักษา เพราะงั้นโยมต้องทราบไลยว่าจีวรพระเนี่ยท่านต้องสักของท่านเลื่อนขึ้นรถเมยนี่ได้กลิ่นจีวรพระแล้วไอ้รู้ว่าไอ้องค์นี้ชอบคนไม่ทําตามพระพุทธเจ้าลอยให้จีวรขึ้นรถเมยเหม็นอยู่ได้โยมต้องนึกในใจแต่ว่าอย่าไปว่าท่านอไปว่าตอบล้อต่อเสียงไม่ดีจะบอกเอ๊ท่านนี่ผิดวินัยขึ้นมาไอ้อาครมความเดี๋ยวท่านก็เกิดโมโหโลธาก็จะมีเรื่องในรถเมย์เขาอีก เอาแต่เพียงนึกในใจแล้วก็หลีกเลี่ยงเสียเวลาจะหม่มยอมดูนะสังเกตดูผ้าจีวรเนี่ยผืนใหญ่เนนองเล็กก็ห่มพอดีอาตมาอ้วนก็ห่มพอดีอาจารย์เสริมชัยรูปร่างพอดีพอเหมาะห่มพอดีเหมือนอาตมาที่จริงนะอาตมาเอามาห่มของอาจารย์เสริมชัยไม่น่าจะพอ ของอ้วน ก, กันเยอะอาจารย์เสริมชัยเอาของอาจมาไปหอมมันน่าจะห้อยไปอย่างตึงถึงตาตุมก็ไม่เป็นไม่มีวิธีพระพุทธเจ้าทรงมีวิธีอาจารย์เก่าๆฉันบอกว่าผ้าจีวอนอย่างกระเรือใบเอาไปทำอ่าอย่างกระใบเรือเอาไปทําใบเรือจะสบายแต่เวลาพระเอามาหอมที่ตัวงท่านเนี่ยพอดีพอดี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 ธรรมบรรยายที่ท่านบรรยายจบไปนั้นให้ชื่อเรื่องว่าพระธรรมวินัยเนื้อหาสาระส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นที่จะอบรมพระภิกษุสามเณรแต่บางส่วนสาธุชนก็ควรจะรับฟังและทำความเข้าใจไว้เพื่อจะได้ปฏิบัติ ต, ต่อพระภิกษุสงฆ์ได้ถูกต้องเพราะบางทีการที่เราจะทำจิตหรือว่าจะอุปถา แกพระภิกษุสามเณรนั้นบางทีถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่เรียนรู้ก็จะไม่รู้ว่าท่านขาดเหลืออะไรแล้วเราจะอุปถาท่านนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง น, นี้แหละเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมะเรื่องนี้เราก็จะได้เข้าใจเป็นในตัวนี่แหละลุงพ่อท่านได้อธิบายขยายความและก็พูดธรรมะสบายๆฟังกันง่าย เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้พระภิกษุสามเณรให้ดำรงอยู่ในศีลในธรรมในพระวินัยสำหรับวันนี้อาตมาก็นำธรรมบัญญายเรื่องนี้มาฝากท่านสาธุชนเพื่อที่จะได้ศึกษาในการประพฤติปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์สามเณรสำหรับวันนี้เวลาของธรรมสุสันติก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ก่อนจากกัน อาตมาภาพขอส่งท้ายด้วยพุทธศาสนสุภาษิต ท, ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่240ความว่ายังกินกิสิทธิลังกัมมังนาะตังโหติมหบพลังการงานใดๆที่ย่อหย่อนย่อมจะไม่มีผลมากวันนี้ธรรมสุสันติขอลาท่านสาธุชนไปก่อนขอเชิญท่าน ผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังธรรมบรรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในพระสัทธธรรมจงบังเกิดมีแต่สาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร